พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9พฤษภาคม2554มีชื่อเรื่องว่าไม่มาขอให้มามาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขใชนีหมมันล้องหร้อเปล่นะ ลองเพลงของมันฝนจะตกหรือฝนจะหยุดวะดูดูเหมือนฝนฝนจะตกนะดูดูดละโอ้ช่วงนี้หลวงพ่อเองก็ไปตั้งแต่วันที่สี่กลับมาวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เก้าตั้งแต่วันที่สี่มางานรู้สึกมาลมมาตุ้มมา ล, มม า, ลมมาตุ้มอยู่ในกรุงเทพนุ่น บางทีตีหนึ่งค่อยได้นอนได้พักเมื่อวานที่ขึ้นมาสลามันวิววิวนะลูกหลานนะมันยังไงมันมันห้อยห่วยอะ่ะมันเพลียนสรุปแล้วก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอมันอายุมันมากนาำปางเนี่ยนะท่อแหลมมัน 70, 70เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด่มัน6กสิบหกโลก หกหรือเจบเจ็ดสิบหกมันแก่ไปเรื่อยมันหกสิบเจ็ดนะลูกหลานนะดูแล้วมันไม่เหมือนตะก่อนตะก่อนจะคิดจะไปไหนมันมันก็ไม่ได้คิดยากแต่ทุกวันนี้ต้องดูสุขภาพซะก่อนต้องมองดูสุขภาพ ไม่ไหวัหยถ้ามันไม่ไหวเราไปมันก็เป็นภาระของคนอื่นถ้าเราไม่ไปจชะอยู่กับปัดจชะมันก็ไม่มีไม่มีอะไรแต่ตามไม่จริงขนาดนี้แล้วคนข้างหลายก็อยากจะให้ไปจะไปในงานเพราะที่พระมีอายุพัรษา ไปในงานขอที่มลเพราะนั้นเรื่องนิ่มลไปในงานทนี่ีมากเดี๋ยวนี้เป็นลำดับลาดับขึ้นมานะ่วานกะลายสองลายนิมนต์แต่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าแล้วกับทางระยองก็นนิมนต์อีกทางสุพรรณ น, นิมนต์อีก แต่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเพอรู้สึกมันสุขภาพช่วงนี้มันตั้งแต่งานของหลวงตามานะพูดได้อย่างนั้นไม่ได้ใช้อ้างา ง, งานหลวงตานะแค่ว่ามันเพลียมันสุขภาพมันมันสดว่างั้นแหละในช่วงนั้นอนะ่ะมันตั้งเป็นหวัดเป็นไข้ด้วยทั้งงานเล่งงานให้งานจบด้วยแต่พอจบทอเทมาไหท่นนะันแะโอ้ พักฟื้นขึ้นมามันจะฟื้นยากแต่น้ำหนักมันก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่าร่างกายมันคล้ายๆว่ารถมันหลวมละเครื่องมันหลวมละเจตเติลเติมน้ำมันเติมน้ำขนาดไหนก็เถอะมันน้ำก็มีอยู่น้ำมันก็มีอะไรก็มีแต่ว่าเครื่องมันหลวมนี่ก็เหมือนกันเลี้ยงเติมน้ำเติมหยกเติมยาเติมอะไรเข้าไป คืออยากจะให้มันเหมือนเก่ามันก็เหมือนเก่าไม่ได้เพราะเครื่องมันหลวมเนี่ยมันแก่เครื่องมันแก่เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ดูหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเรื่องสุขภาพะสงควรไปยังไงไม่สมควรไปยังไงควรทําไงไม่ควรทําอะไรต้องดู ดูไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆเอาจะทำยังไงได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ก็ล้มหายตายจากไปแล้วเราจะไปอยู่โชว์ฟ้าดินสลายเหรอเราก็ต้องตายเหมือนกันเอน่ยอก็ต้องลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าก่อนที่จะตายทำอะไรสิ่งไหนก็ทำพวกเราทุกคนที่หลวงพ่อพูดจะนี้ให้ โก้ปัญิกโกมหาตัวเองเราควรทำอะไรก่อนที่จะตายทำความชั่วก่อนตายแล้วทำความดีก่อนตายทำให้จิตใจบริสุทธิ์ก่อนตายหรื อ, อยังกิเลสมีอยู่ในใจก่อนตายสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องถามถามตนเองไว้อยู่เสมอเมื่อวานวันก่อน ที่หลวงพ่อขึ้นมาจากกรุงเทพหลวงพ่อก็นั่งเครื่องบินขึ้นมาแออ์เซียมสี่โมงสามโมงกว่ากว่าพอมาถึงกุดร์ก็โอ้ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งทหารตำรวจพร้อมที่สนามบินเพื่อตอนรับฟ้ายหญิง ท่านก็เสด็จเหมือนกันท่านเสด็จที่ท่านจะมาประทับที่วัดของเราแต่เราขึ้นเครื่องมาก่อนคิดว่าจะมาถึงวัดก่อนหันในใจของเราแต่ฝ่ายหญิงท่านขึ้นเครื่องส่วนพระ อ, องค์ก็บอกว่าไม่นานฝ่ายหญิงคงจะลงมาแล้วหลงพ่อก็รีบขึ้นรถขึ้นวิ่งกลับรถเขาก็วิ่งเร็วอยู่นะเปิดลิงวิ่ง ก็จะให้มาถึงวัดก่อนแต่ที่นหนได้มาถึงแถบบ้านเท่อมเขาหยุดรถหลวงพ่อเลยให้เข้าข้างทางเพราะรถฟ้าหญิงมีฉลามใช่ไหมนำหน้านำหลังวิ่งมาอย่างเร็วหลวงพ่อต้องคอยชนจนขบวนฟ้าหญิงผ่านช่ไปหลวงพ่อยังค่อยตามหลังมาจากนั้นก็ตามหลังมาเรื่อย จากนั้นฝ่ายหญิงก็มาถึงบันติวที่ประทับที่อะไรพักแรมนั่นคงจะเข้าห้องพักพ่อนห้องสงของท่านท้าบริวารก็มารออยู่นั่นหลวงพ่อก็รออยู่ที่บันแวงอีก <c oughs> <c oughs> จากนั้นค่อยว่ามาพอมา ถ, ถึงวัดพระบอกว่า ฝ้ายหญิงเข้าไปประมาณทักสิบนาทีแล้วหลวงพ่อหลว ง, งพ่อมาช้ากว่าสิบนาทีแต่พระก็เขาได้โทรถามสำนักพระราชวังโทรถามว่าหลวงพ่อจะขึ้นศาลาไหมวันนี้พ่คราวที่แล้วฝ้ายหญิงก็เสด็จขึ้นมาทำวัดสวดมนต์พร้อมกับพวกเราคราวนี้เขาก็ถาม หลวงพ่อก็เออถามพวกผู้ติดตามสิสำนับพวกวังว่าพระ อ, องค์ทุนกระหม่อมหญิงจะเสด็จขึ้นศาลาไหมถ้าขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อขึ้นถ้าหากว่าท่านไม่ขึ้นก็กระสุดแท้แต่พระ อ, องค์ท่านนะพราท่านเสด็จทั้งวันนะวันนี้ตั้งแต่เช้ามา ไปไปรับทองคําที่สวนแสงธรรมขนมืดฟ้ามัวดินจากนั้นพอเสด็จออกจากสวนแสงธรรมท่านก็มาพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ของท่านอาจารย์ตุลาจากนั้นท่านก็เสด็จกลับมาหลายงานนะวันนี้ฟ้าหญิงถ้าท่านไม่เหนื่อยเอไม่ว่ากันผมงพ่อก็คงขึ้นได้พอคนที่สุดพอกลับมาถึงวัด ผู้ติดตามว่าฝ่ายหญิงขอขอพักไม่ไหวเหนื่อยหลวงพ่อก็เลยพักเหมือนกันแต่ที้งยังไงก็โอ้เหนื่อยเหมือนกันนะลงไปกรุงเทพทั้งแต่วันที่สี่อย่างที่หลวงพ่อโพดนะมาดูงานด่วยไปงานสวดอภิธรรมเจ้าพระคุณสมเด็จวัดชนะสงครามด้วย กับคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาวัดป่าบานตาดรวมกันไปสวดพระธรรมคืนวันที่วันที่หกที่วัดชนะสงครามจากนั้นก็กลับมากับพักพรก็จะได้พักผ่อก็ดึกตอนเช้ามาก็รีบออกไปแต่เช้ามืดตั้งแต่ตีห้ากลัวรถจะติดขนาดนั้นรถเต็มวัดแหละที่สวนแสงธรรมก่าจะได้ชั้นอาหารกับนู่นสามสี่โมง คนเยอะเหลือเกินอาหารเยอะแต่ผมดูดูแล้วก็น่าภาค ภ, าคภูมิใจอย่างมากเพราะเหตุใดพี่น้องประชาชนยังให้ความเคารพรักในองค์หลวงตามาพร้อมเพียงพร้อมเพียงกันแย่หลวงพ่อก็ได้ประกาศก่อนหน้านั้นเหมือนกันว่างานผ้าป่าองานที่จะมอบทองคกลวานี้เป็นครั้งสุดท้ายและครั้งยิ่งใหญ่ ปู่ใดก็ตามเคารบรักเคารพในองค์หลวงตาหรือเห็นคุณค่าอันในการมอบทองคําเข้าครังหลวงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกท่านทั้งหลายมาร่วมแสดงความยินดีกับการมอบทองในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันหลวงพ่อก็ประกาศออกทางวิทยุคนถลักหมามืดฟ้ามัวดินเลท่านเลยนี่แหละวันนั้น พอเสร็จแล้วหลงพ่อก็รีบกลับขึ้นมาก่อนฟ้าหญิงอย่างที่ว่าถึงยังไงพวกเราวัด ว, วัดวาศาสนาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็มีหลายระดับก็บให้พวกเราที่เป็นเจ้าของบ้านทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน หลวงพ่อเองก็รับผิดชอบอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นลูกหลานทั้งหลายเห็นรับผิดชอบอยังไงเนี่ยนะบางทีก็เหนื่อยขนาดไหนอายุถึงขนาดนี่แหละหลวงพ่อก็ยังออกมาพบคบค้าสมาคมมาพูดมาสนทนาเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะทำเฉยเฉยม่เมยมันก็ไม่น่าจะถูกต้อง แต่ก็ต้องดูสุขภาพตัวเองเหมือนกันถ้าไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไม่ไหวแต่พอไหวอยู่ก็ต้องออกมาสนทนาปารบกับผู้คนที่มาเกี่ยวข้องทุกระดับพวกเราก็เหมือนกันที่มาอยู่ในวัดหัวงไกลหลวงพอ่อพวกเราก็ต้องช่วยๆกันดูขาดจิงไหนขาดเหลือขาดตกบกพร่องพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้อง พวกเราก็ต้องช่วยกันดูไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้ก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทานไม่ให้ปิดประตูไม่ให้รู้จักกับใครมากน้อยสันโดษจนไม่รู้จักกับกับใครพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองมาถึงขนาดนี้หรือที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าพวกเรามีน้ำใจ ม, ม, มีเมตมีเมตตามีน้ำใจมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีอะไรก็ต้องสงเคราะห์นุเคราะห์กันมีอะไรก็ต้องแนะนำสั่งสอนกันถ้าน้องไม่รู้พี่ก็ต้องบอกกล่าวถ้าน้องรู้กว่าน้องก็ต้องบอกพี่ได้ความรู้ความนี้มันไม่ใช่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดมันอยู่กับทุกคน กับผู้ประพฤติปฏิบัติผูกผู้ใค่ในการศึกษาต้องรู้แต่รู้แล้วก็นนะนํามาบอกมาแนะนํากันนี่แหละพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองไปได้ต้องอาศัยการตักเตือนซึ่งกันและกันบอกกล่าวซึ่งกันและกันแต่ใครบอกกล่าวขึ้นมาแล้วโมโหโกธาอันนั้นไม่ใช่ปลาดเป็นภารชนพารชน เป็นถ้าเป็นปราณเราก็ต้องฟังต้องฟังเพื่อการศึกษาในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าผู้ใดชี้ความผิดของตนเองผู้นั้นเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราฟังคํานี้เอาไว้ทามันผิดเราก็ทบทวนดูตัวของเราเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะอยู่มากมาย หลายระดับอย่างพวกในครัวก็เหมือนกันผู้ที่เกี่ยวข้องก็เหมือนกันผู้ที่มาเกี่ยวข้องจะให้ได้อย่างใจเราเป็นกฎเป็นระเบียบทั้งหมดมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบางคนกนนินสัยดีนิสัยไม่ดีเห็นผมเป็นชั้นรอชั้นดานมนจาจตั้งแต่ดึกจำบันแต่ละผู่แต่ละคนแต่เราก็ต้องรู้จากวิธีว่าเราจะทำยังไงจึงจะเหมาะสม จึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมอย่างที่ในหลวงท่านตรัสไว้จะให้ดีทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องเอาคนดีปกครองบ้านเมืองแต่คนไม่ดีเราก็ต้องข่มไว้กีดกันเอาไว้แต่จะให้ดีทุกคนเจ้ก่อนอยังค่อยมาปกครองเป็นไปไม่ได้นี่เราก็ต้องการคนดี มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีผมนะขอให้พวกเราทุกท่านนะถ้าถ้าพวกเราทําถูกแล้วมีแต่ความผาสุขการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าว่าทําไม่ถูกแล้วเดือดร้อนแต่อะไรก็ไม่ได้มีแต่ขังกิเลสเต็มไปหมดแล้วจะทำยังไงต่างคนก็ต่างอยู่เหมือนกับหมูป่าหลวงพ่อนะเอาห้านัด หันหน้าเขาหาป่ามีแต่หันโกนออกมาหากันอหลงหมูป่ามันไม่อยากจะมองคนมันหันหน้าเข้าไปซุกเขาในในพุ่มไม้เห็นตะก้นของมันนี่ก็เหมือนกันพระในวัดของเราอยเป็นเรียนแบบหมูป่านะอ่ะมีอะไรต้องปรึกษาปารบกันไม่ใช่ว่าต่างคนกับต่างใช้ทิฏฐิมานะหันหน้าเขาหาป่าซุกเขาหันหน้าชุกเขาโพงต้นไม้จอมปวก พุ่มไม้ละเห็นเห็นแต่ก้นนะเห็นตะลังไม่รู้ใครผิดไม่รู้ใครถูกไม่ได้ปรึกษาปรารบกันมันไม่ได้นะอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีน้ำใจมีเมตตามีการว่า ก, ก่าวตักเตือนซึ่งกันและกันมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมถ้าอยู่ด้วยธรรมนะอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนไมีแต่ความผาสุกถ้าอยู่ด้วยกิเลสนะหาความสุขไม่ได้นะพวกท่านทั้งหลายนะ ถึงจะเป็นผู้ใหญ่เ่าไปพ่ายภาคหน้าก็จะจะหาความสงบรมเย็นเป็นจุกไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีน้ำใจมีเมตตาต้องระวังการพูดจาพาธีความกโกรธโกโสโมโหนะต้องระวังแต่ว่าการที่จะพูดอะไรออกไปก็ต้องระวัง มันจะกระทบกับเทือนจิตใจเขาไหมเขารับไหวไหมก็ต้องนิสัยรู้นิสัยอุปนิสัยของแต่ละคนออกต่างหากไม่ใช่ร ว, วมป่ากขาพูดไปเรื่อยพามไปเรื่อยมันก็ไม่ถูกแต่พูดที่ได้รับฟังมานั้นถ้าหาว่าฟังเขาพูดเป็นอัดเป็นธรรมถึงจะเป็นยังไงเราก็ต้องฟังไว้ก่อนอไปเลย บอกว่ามีผู้พูดให้ฟังแล้วดีกว่าไม่มีอะไรพูดเราก็ต้องฟังเขาเมื่อฟังแล้วก่อนนั้นเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความทบทวนไข่กวรที่เราได้ยินจากหมู่พวกเพื่อนไม่ใช่ว่าได้ยินจากครูบาอาจารย์นะเราได้ยินจากญาติจากโยมจากหมู่จากเพื่อนมาเนี่ยมากมายความรู้ความรอบครอบที่เราได้ฟังมา บางทีก็ไม่พอใจแต่ฟังดูแล้วอ ม, มีเหตุผลาบางทีเราจะได้นำคำพูดของเขาเหล่านั้นมาพูดต่ออีกต่างหากอย่างตีขี้ใส่หน้าเราก็ได้ยินมาแต่สมัยเป็นเด็กพี่ชายเขาพูดอโอโโอย่าไปทำยังไงถ้าทำไม่ดีมันก็ตีขี้ใส่หน้าตัวเองเออใช่ตีขี้ใส่หน้าก็คืออะไรไปแลเห็นกองขี้ตีขี้มาขี้มันก็ ก, กระเด็น มันก็เด็นมันก็เหม็นมาหาติดตัวติดเสื้อผ้าของเรามันไม่เกิดประโยชน์ไปเห็นขี้ไปตีขี้มดท่านอันนี้ก็เหมือนการไปเห็นคนชั่วของเขาไปเห็นความชั่วของเขาเราจะไปดุด่าว่ากาขกาวเขาไปทําอะไรให้แก่เขาบางทีมันเราต้องดูซะก่อนบางทีมันโทษตัวนั้นมันก็เด็นมาหาเรามี่ถึงเรื่องลําบากใจทุกข์ใจต่างหากเพราะตัวเองขาดความรอบคอบพไปตีขี้ เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องถึงจะเป็นความพูดที่ไม่สุภาพแต่ว่าเนื้อหาสาระนั้นสุภาพนำมาคิดนำมาพิจารณาไตรตรองและประปับปรุงตัวของเองตัวเองได้เป็นบทเรียนสอนอย่างดีสำหรับพวกเรานะอันต่อ น, นี้ไปรับพรนอนโมทนาให้พร